ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโพธิญาณกำมังนำเสนอพุทธกิจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประธรรมในช่วงประทับสวยวิมติสุขหลังจากได้ศัสรู้อนุตตรสมาสมปทิญาณในวันวิสาขบูรณมีก่อนพุทธศักราช45ปี ก็มาถึงสามสัปดาห์คือสั ป, ปดาห์แรกประทัสบสมบูวิมุตติสุขอยู่ภายใต้ต้นพระสีมาโภทรงพิจารณาปยิการคือปฏิจจสมุปาททั้งสายเกิดและก็สายดับในแต่ละช่วงคือเสร็จเป็นชุดๆไปเนี่ยก็ทรงเปล่งเป็นพระพุทธอุทานขึ้นเป็นจังหวะจังหวะก็เป็นสามครั้งด้วยกัน ปฏิจจสมบั ต, บตนั้นก็ได้นำเสนอท่านผู้ฟังในประเด็นของสายเกิดมาก็ค่อนข้างวิจิตพิสดารแต่ว่าในแง่ความเป็นจริงสายดับยังไม่ได้พูดเพราะว่าสายดับนั้นคงจะไปพูดตอนเมื่อถึงธรรมจักรวัฒนสูตรซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงถึงกันอยู่ในสั ป, ปดาห์ที่สอง ก็ทรงประทับยืนไม่มองดูต้นประสีมาโพธอยู่ตลอดเจ็ดวันด้วยความสำนึกคุณที่โรง่งในสัสรูประสัพัญยุตยานในาภายใต้ต้นประสีมาโพนั้นในสั ป, ปดาห์ที่สามก็เสด็จจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างอนิมิสเจดีและ ปวดที่บัลลังก์หรือต้นมะสีมาโภมคือทั้งสองช่วงตรงนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกนะครตตามปกติเหตุการณ์ตอนนี้ท่านมาบันทึกไว้ที่ก็แปลกคือที่พระวินัยบิดกในมาวักเล่มที่สี่เศการที่รัตนจงกรมเกตเจดีก็ดียนวิเศเจดีก็ดีหรือแม่แต่ รัตนคะเจดีที่แปลว่าเรือนแก้วท่านบอกว่าเทวดามานิมิตเรือนแก้วทางทิศพายับจากต้นโพพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปประทับขัดสมาธิอยู่ภายในเรือนแก้วแล้วก็ทรงพิจารณาธรรมะตมหลัรกก็คือเรื่องอภิธรรม แต่ท่านยังบอกว่าได้พิจารณาสมันตะปัตฐานอนันตไนก็เรื่องยาวเหยียดนี่นะคืออภิธรรมเนี่ยในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วก็ค่อนข้างตกเทียงกันอยู่ว่าเป็นพระพุทธวจนะหรือไม่บางครั้งเมื่อกล่าวก็มีการต่อสู้ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในหมู่พุทธศาสนิกชน นิกายบางนิกายก็ไม่ได้นับเข้าในพระไตรปิฎกนะฮะถือว่าเป็นคำภีรุ่นหลังแล้วเราก็อยู่ถือถือเป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ในแถบเอเชียเราเนี่ยคือตั้งแต่ลังกาพมา่าไทยลาวเขมนมอนด้วยนะฮะต้องนับมอนด้วยคือให้ความสำคัญแก่พระไตรปิฎกกันคนละอย่าง ประเทศหลังการนั้นจะให้ความสำคัญแก่ตัวพระสุตตันตปิฎกแล้วก็จริงก็จังมากแม้แต่พวกชาดกทั้งหลายนะเรื่องบางเรื่องดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่าสมับรหลังการแล้วก็ต้องถือว่าเชื่อทุกตัวอักษรเพราะจากหลักความเชื่อตรงนี้เราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าข้อความทั้งหมดมีมาอย่างไงเนี่ยท่านต้องรักษาไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ แต่จะไม่ทําให้วิปลาสแปรเคลื่อนไปประท่าให้ความเคารพอย่างสูงแล้วก็ถือว่าการทําอักษรจะรึกพระธรรมให้มันวิปลาสออกไปเพียงคําเดียวนะมันก็ยุ่งไม่ใช่เล่นนะเช่นอัตตาเป็นนันาตาอย่างเงี้ยจะตายแล้วคถูกคําเดียวแต่นักเรงก็ยุ่งอ่ะแต่ว่าพอมาถึงพมา่พมาเนี่ยพม่าจะเน้นที่อภิธรรมบิ ด, ด คมภี์ที่มีการศึกษาเล้วเรียนกันอยู่ในเมืองไทยเพรพ่อไธรำมัธสังกหาเป็นธรรมภาวินีะอะไรต่างๆไปจะเรียกจะเรียบเรียงกันที่ประเทศพมา่านี่เป็นห ล, ลักเราจริงนะฮะเขาแม่นแล้วก็มีความแตกสานในเรื่องอภธิธรรมซึ่งก็เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากแล้วของมอนนั้นจะเน้นไป ท, ที่วินยัยมอนจะเก่งเรื่องวินยัยแล้วก็เกร่งครัดเรื่องวินัยมากแล้วก็ตีความกันตามตัวอักษรเลย หมายความมาบทบัญญัติเขาว่ายังไงคืออย่างนั้นจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไทยเรานั้นที่จริงแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องในเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะก็เอาทั้งหมดนั่นแหละทั้งประศูตรทั้งประธรรมพระพิธรรมพระวินยัยแต่ว่าจะหาคนที่แตกฉานลึกซึ้งจริงๆเนี่ยได้ยากเพราะว่าถ้า โตโจงเอาเฉพาะเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะให้เกิดความแตกฉานได้แต่เอาหลายๆเรื่องคือในสมัยโบราณเองเขาก็เน้นกันเป็นอยฝ่ายไปเสียกว่าที่าพานากคาจารย์ก็มาความว่าท่านเหล่านี้กลุ่มนี้คณะนี้จะเน้นหนักไปที่ที่ทคณิกายประคำภีที่คณิกายมาจิาาพาณกคาจารย์ก็จะเน้นหนักไปที่ตัว มาจิบมณิกายเป็นต้นเนี่ยที่เนืจากหลักของความเชื่อที่แตกต่างกันก็ทำให้ข้อความเป็นนั้นมา ก, กเราจะเห็นว่าพระอาจารย์ท่านใส่เขาพันแต่เราจะไปเฉียงในประเด็นว่าเป็นพุทธวจนะทุกตัวสอสรหรือไม่เนี่ยคงไม่หรอกแต่เป็นพุทธศาสนาหรือไม่แล้วก็ใช่ คือเป็นคนําสอนในทางพระพุทธศาสนาอภิธรรมถ้าเรามองกันในแง่ของความเป็นจริงก็คือหลักอริยสัจสี่นั่นเองหรือว่าหลักของขันห้านั่นเองยกเว้นนิพพานนะฮะเป็นขันดวิมุตติแต่ถ้าพูดถึงอริยสัจสีแล้วก็อยู่ในอริยสัจสีหรือปฏิจจสมบัติที่กล่าวไว้แต่ว่ามีการจาแนกให้รายละเอียดเยอะ ่สรุปแล้วก็เป็นปรมัตรธรรมสี่ประการด้วยกันในการถึงสารเรื่องจิตโดยละเอียดพิสดารในแต่และจิตนี่ยังมีหยาบกลางประนีตแล้วก็นับจิตขึ้นมาเป็นดวงๆมีแปดสิบเก้าดวงมีร้อยี่สิบเอ็ดดว ง, ดวงซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่าจิตมันเยอะมานั่งนับจิตกัน แต่จริงตัวนี้ภาษาไทยนะั้นมันมีลักษณะนานในบาลีถ้าไปจะบอกนะับเป็นดวงอย่างนั้นนาจริงๆมันเป็นขณะแล้วเป็นความเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็คล้ายๆกับตัวกไก่ตัวเดียวนหะแต่ก็มีสระมีตัวสกอยมีวรรณยุกเข้ามาประกอบ ทำให้กกไก่ออกเสียงได้เยอะเลยแต่การที่เสียงมันเปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวมันเพราะสิ่งอื่นที่ทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตมันก็มีดวงเดียวแต่มันเกิดดับต่อนเนื่องแต่นั้นเดงเป็นกระแสส่วนมากเราจะพูดในแนวกระแสจิตพระพุทธธรรมรัที่สัตว์ไว้ก็ไม่ได้เน้นจํานวนจิตเป็นอนเอกนกนันต์แต่จิต เน้นที่จิตเกิดดับอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าดูรังกามังเอกจรังอสริรังกุหาสยังเยจิตังสัญญเมสันติโมขันติมาระบันดนาผู้ใดจักระวังจิตดูรังกามังซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเอกจรังเที่ยวไปดวงเดียวอสริรังไม่มีสริระกูหาสยังก็มีถ้าคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้ อุนั้นจะพ้นจะบวงแห่งมาแต่ในภาษาทางอภิธรรมนั้นท่านก็มาจำแนกวิจิตพิสดานแยกแยะไปตามลักษณะของจิตหรือภูมิของจิตเรียกเป็นภูมินะเป็นภูมิจิตเพราะภูมิจิตมันก็มีหลายภูมิมีกามาเจรภูมิมีรูปะเปโจรภูมิมารูปะเปโจรภูมิโลกุตรภูมิก็คล้ายๆกับภูมิรู้นะฮะคล้ายๆภูมิรู้ต่างๆที่เกิดขึ้น ภายในจิตใจของเรามันเกิดที่จิตดวงเดียวแต่ภูมิรู้นั่นก็มีการหลากหลายมีการปรับเปลี่ยนไปในภายในจิตเมื่อมันเข้าไปสู่จิตมันก็ผ่านกระบวนการจํากระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็พิจารณาเทียบเคียงเรื่องแต่เรื่องก็ขยายออกไปโดยวิจิตพิสดารแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมันเป็นผลจากการปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะเห็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ท่องแบบปะขยานไ ป, ไปจำตัวเลขไว้จิตนั้นเท่านั้นจิตนั้นเท่านั้นกิริยาเท่านั้นวิบากเท่านั้นก็นับกันไปก็กลายเป็นจิตที่วิวจิตพิสดารประกรารต่อไปคือเจตสิกเจตสิกก็คือธรรมะที่เป็นกุศลนะกุศลกลางๆนะฮะคือเราจะเห็นว่าธรรมะมีเยอะเหลือเกินนะแปดหมื่นสิบขันพระธรรมขัน แต่ว่าในที่นี้ท่านจะสรุปทั้งกุศลธรรมะกุศลธรรมะปยากตาธรรมะไว้แค่ห้าสิบสองเท่านั้นเอง น, นอกนั้นก็ถือว่าแตกกิ่งก้นสาขาไปจากพวกนี้แต่การสรุปรวมอย่างนี้เพื่นสังเกตว่าเราสรุปเป็นวิ ช, ชาการวิ ช, ชาก็ได้สองฝ่ายหรือสรุปเป็นโลกโปดหลงไม่โลกไม่โปดไม่หลง ก, ก, ก, ก, ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันสามารถที่จะขยายไปได้ เจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตและทำจิตให้แปรผันไปคล้ายๆกับสระตัวสะกดวรรณยุกต์ที่ทําให้ตัวอักษรทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงไปหรือจิตเนี่ยคล้ายๆกับ น, น้ําซึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีรูปอะไรแต่น้ำ ม, มันก็เปลี่ยนได้ตลอดอ่ะทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งรูปเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งอื่นมันทําให้มันเปลี่ยนแปลงจะน้ําเขียวนี่ไม่ได้หมายความว่าน้ํา ม, มันเขียว แต่ว่าสิ่งสีเขียวนี่มาทำให้น้ำเขียวเพราะงั้นเมื่อเราต้องการจะขจัดสีเขียวออกไปมันก็จัดออกได้เพราะมันไม่ใช่น้ำมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันน้ำแต่ถ้าเป็นเนื้อเดียวกันน้ำมันก็ขจัดออกไม่ได้ขะะันเจตสิกเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตจะเป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกลางกลก็ตามมันไม่ใช่จิตเมื่อไม่ใช่จิตเนี่ยทําให้เราละอกุศลได้เราจะลืมกุศลได้ หมาความอกุศลที่เกิดเนื่องจากมันไม่ใช่จิตเราก็ขจัดออกไปได้คล้คายๆกับเป็นพวกอาคารตุกะคือแขกที่มาเยือนบ้านเราแขกก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะะเราจะให้อยู่ก็ได้ให้ไม่อยู่ก็ได้ให้พักก็ได้ไม่พักก็ได้กดไหนเราชอบใจเราก็ให้อยู่ไม่ชอบใจเราก็ไม่ให้อยู่มันอยู่ที่การตัดสินมิจฉาเจ้าเราเอง ทั้งสองฝ่ายที่จริงเป็นแขกมาเยือนด้วยกั น, ก, น, ก, นกุศลก็เป็นแขกมาเยือนอกุศลก็เป็นแขกมาเยือนแต่เราจะให้เจ้าต้อนรับหรือไม่ต้อนรับให้อยู่หรือไม่อยู่เนะเป็นเรื่องของเราบาลนลักษณะของเจตสิกเนี่ยท่านบอกว่าเอกุปปะนะเกิดพร้อมกับจิตเอกนิโรธ ค, คือดับพร้อมกับจิตแล้วก็มีอารมณ์เดียวกับจิตเวลาพูดเนี่ยท่านท่านไม่ได้พูดแยกอย่างนั้น จิตโกรธจิตโลภจิตหลงเราจะเวลาพูดรวมๆเห็นว่าความโกรธความโลภความห ล, ลงไอ้ตัวความเนี่ยมันอาจจะยังไม่ปรุงจิตก็ได้แต่พอมันเข้าไปปรุงจิตมันทําให้จิตเป็นอย่างความมันเป็นเช่นความโลภเนี่ยเมื่อเข้าปรุงจิตก็ทําให้จิตมันโลภความริษยาเมื่อเข้าปรุงจิตก็ทําให้จิตริษยาเพราะนเราก็สังเกตได้ว่าจิตเราไม่ได้ริษยาตลอดไม่ได้โลภตลอดไม่ได้โกรธตลอดไม่ได้เมตตาตลอด หรือไม่ได้กรุณาตลอดไม่ได้มีปัญญาตลอดก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับสภาพของจิตเราที่มีท่าทีต่ออารมณ์ซึ่งผ่านนาทางประสาทสัมผัสด้วยการเนียวนึกถึงอารมณ์ตัวอย่างที่บอกไว้ว่าคือเอาข้อจริงเนี่ยมันสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่สาคัญแต่เราคิดยังไงเรามีท่าทีต่อสิ่งนั้นอย่างไงสิ่งนั้นอาจจะดีก็ได้แต่ว่าเรามีความลาเอียงเราก็มองไปในแนวไม่ดี อย่างในแวดวงสังคมมนุษยชาติเนี่ยม่จะเห็นได้ไง่ายใครดีใครเด่นขึ้นมาแล้วก็โอกาสจะดับมันก็ใกล้เพราะคนต้องการดีต้องการเด่นต้องการดังอย่างนั้นแต่ก็ทำไม่ได้เมื่อทาไม่ได้เนี่ยแต่คนนั้นก็จะอยู่ไม่ได้นั่นก็คือธรรมดาของโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนคิดอย่างนั้นขึ้นอยู่กับสภาพจิตของแตน ขึ้นอยู่กับท่าทีที่การกำหนดสถานภาพของคนเหล่อนนั้นว่าตัวเองมีความรู้สึกต่อคนเหล่อนนั้นอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ตันเ ร, เรียกว่าเจตสิกก็เป็นศึกษาเป็นการศึกษาโดยวิจิตพิสดารเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาแล้วเราก็สังเกตได้ว่าเนื้อหาสาระมันก็มีอยู่แล้วในประ อย่างในธรรมาจากกวัวตนะสูตรเนี่ยเมื่อศึกษาระดับเข้มขนม้นนก็ไปอยู่ในนั่ น, นจัจากวิพังมัคควิพังอินทรวิพังอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าจะเป็นการศึกษาพิสดารนะหรือว่าสูตรตอนต้นๆใช้นะนัตตลกกณนะสูตรเนี่ยข้อความหนวเนี่ยมันก็มีอยู่ในพิธรม แต่ว่าตอนสอนประสูนี่จะไม่สอนมาเข่นรูปแต่ในได้ในอดีตก็ดีนาคก็ดีปัจจุบันก็ดีเสร็จแล้วท่านก็ไปวิเคราะห์รูปในอดีตเป็นยังไงมีลักษณะยังไงหยาบกรานรูปไกลรูปไร้รูปภายในรูปภาย น, นอกกว่ากันไปพิสดารเป็นกระบวนการทางจิตเป็นการศึกษากระบวนการทางจิตแล้วก็รูปก็คือสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมจึงเราสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกาย เร า, า จ, จะได้อีกอย่างหนึ่งว่าวัตถุการมแปลว่าวัตถุเป็นเหตุให้ใครหรือวัตถุที่ใจกําหนดวหน้าใคร่แล้วถ้าเรียกในฐานะเป็นอันตรายก็เรียกว่าบ่วงของมารบ้างเครื่องผูกของมารบ้างบวงดอกไม้ของมารบ้างก็แล้วแต่จะเรียกเรียกตามสถานะของมันในแต่ละขณะโดยความรู้สึกของคนต่อสิ่งเหล่านั้นอาจจะบวกบวก็ได้ลบก็ได้นะเพราะาจริงๆแล้วเนี่ย เราเรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้สัจธรรมจตุรูปมรรคนิพพานมันก็เรียนจากพวกเนี้เรียนจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ทำมรมนี่เองไม่ได้เรียนจากที่ไหนแต่ปัญหาสําคัญว่าใจเรานี่คิดยังไงพื้นฐานด้านจิตนี่จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆแนวหลักการสําคัญในการศึกษาอบรมธรรมปัญนาจึงเน้นที่การฝึกเปลี่จิตของคน แต่ให้คนอยู่ถึงจุดหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีวินัยในตัวเองคือควบคุมตัวเองได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรเว้นควรประพฤติอันนี้เป็นเหตุแต่งสุขอันนี้เป็นเหตุแต่งทุกข์อันนี้เป็นทางเสือ่อมเป็นทางเจริญเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติได้คืองดเว้นทางเสื่อมมาดําเนินในทางเจริญได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็กลายเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาเรียนรู้ของเราในสังคมของมนุษย์เราเนี่ยเอาขนาดรูปสวยๆอย่างเดียวนี่ก็ปวดโลกได้แล้วนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางความมั่นคงเอารูปอย่างเดียวนีย้ยุ่งได้หมดอละนั่นก็เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีปัญญามากพอที่จะไปวิเคราะห์ตรวจสอบ ตรสอบสิ่งหล่นั้นว่ามันจะเป็นของเทือกแท้ยังยืนอะไรนักนาแล้วปเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่วันก่อนไปที่วัดแห่งหนึ่งก็ก็นั่งฟังเฉยๆนะะือพระก็พูดเรื่องการสมณศักิองง์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรต่างๆเราก็นั่งฟังเฉยๆแต่ก็มีความรู้สึกภายในใจนะว่า มันไปสนใจเรื่องไม่ใช่เนื้อหาสาระสมณศักดิ์เนี่ยเราเป็นเราก็ตายนะสมณศักดิ์ไม่ได้ติดตัวไม่เหมือนบุญเหมือนบาปแต่ถ้าหากว่าเราใช้เป็นเรามีจิตสมนึกมีความรับผิดชอบในสถานภาพตรงนั้นมันก็ใช้เป็นเครื่องมือในการทําความดีได้เยอะคือในแวดวงของพระเนี่ย ท่านที่จเจริญด้วยสมณศสักนั้นมันสิ่งทั้งหลายก็จะไหลมาแล้วไหลไปได้หม า, คามยความว่าญาติโยมจะเคารพนับถือศรัทธาท่านมากขึ้นอธิเกลกะหลาบไปลาบของท่านก็จะมากขึ้นแล้วก็ทำให้ท่านช่วยสังคมได้มากขึ้นเดี๋ยวแต่เราไปดูแลท่านเหล่านั้นท่านที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะ เราดูสมมติว่าท่านเป็นอุปชายญาบวช น, นัได้จีวรเป็นรอยๆใจนะคคือต้อนึวกว่าถ้าเก็บไปที่กุติล้วก็โอ้โหคงล้นไปหมดแต่ปรากฏว่าที่กุติท่านไม่มีคือในขณะที่เข้ามาถวายเนี่ยเขาถวายยุติโบนที่กุติมีคนมารอขออุปธรรมเยอะมันเป็นทางไหลเข้าไหลออก แล้วก็เปิดโอกาสได้คนพวกหนึ่งได้ทําบุญเปิดโอกาสได้คนพวกหนึ่งได้รับการสงเคราะห์แต่หมายความว่าถ้าใช้เป็นนะนะจะใช้เป็นใช่ในทางให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะได้ประโยชน์มาแต่ต้องมีความรู้เท่าทันมากพอว่าไม่ใช่เนื้อหาสาระแก่นสารแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือ ในการทําความดีของเราแล้วก็เป็นราชสักการะที่ประมากษัตท่านบูชาประสงฆ์อุชาสถาบันสงฆ์ที่เป็นองค์รวมและถ้าเราดูที่คำมาลัทธนานี่จะชัดเจนมากขอประคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นพระราสั่งสอนช่วยระงับอติกรอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควรเทือนเนี่ย เป็นข้อความที่เยี่ยมยอดมากๆเลยแสดงว่าท่านเชื่อมือว่าเราทําได้เราก็ต้องทําให้ได้ต้องฝึกตือต้องอบรมต้องพัฒนาตัวเองแล้วต้องทําให้ได้เพราะฉนั้นคือภารกิจในการสนองคุณพระาศาสนาเป็นการสืบสารภารกิจของพระพุทธศาสนาในฐานะของาศาสน า, ายาตในฐานะของราษฎรก็รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก สถาบันประมากษัตรากลับมาราษฎนาเจ้าสถาบันประมากษาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะดิน้นรนเพื่อจะเป็นก็ใช้สถานภาพที่ตนเป็นนี่แหละเป็นอะไรอยู่ก็ได้นะตอนนั้นก็ทำงานให้เต็มตามความสามารถเพราะว่าพระเราจริงๆมันเหมือนกับเหมือนกับชาวบ้านน่ะเกิดมาลูก เป็นลูกของพ่อแม่ในหน้าที่มันติดมาโดยกําเนิดเราบวเป็นพระก็เหมือนกันภารกิจนี้ติดมาโดยกําเนิดเลยไม่จําเป็นจะต้องมีใครแต่งตั้งเกิดแวะกามาถึงมันก็ติดภารกิจตรงนั้นขึ้นก็หมายความว่าใล้ๆกับเราไปพักในที่ใดที่หนึ่งนะฮะมันมีหน้าที่ที่จะต้องทําให้เหมาะควรแก่การเป็นผู้มาอาศัยพักอยู่ในสถานที่นั้น นี่กฎเกณฑ์ว่ายังไงก็ทํากันไปแล้วแนวต ร, ตรงนี้มันอยู่ที่เราเข้าใจมันแต่มันเองเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะฮะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาวิธีการสําคัญก็คือหาประโยชน์จากมันให้ได้แล้วก็ใช้มันย้ายมันบังคับเราอย้ายมันเป็นนายเราแล้วข้อต่อไปคือ น, นิพพานซึ่งเป็นอุดมการสูงสุดในทางพุทธศาสนามันก็มีบันไดที่ไต่ขึ้นไป พระพุทธเจ้าก็ส่งนิพพานด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็บนเส้นทางสายเดียวกันนี่แหละสอนแล้วสอนอีกสอนซ้ำสอนซากอย่างนีน้ไม่ก็ไม่อื่นไปจากหลักของปฏิการในหลักของอริสสีตังกล่าววันอภิธรรมเมือทรงพิจารณาแต่พิจารณาในแนวที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปซึ่งว่าก็จริงก็ละเอียดกว่าพิจารณาปฏิจจสมบัตินะฮะเพราะแต่และเรื่องในความเป็นปฏิจจสมบาัตนะิยัง แยกออกไปได้อีกเยอะเป็นงานคล้ายๆงานวิจัยงานวิจัยคือย่อยออกไปจากส่วนประกอบทั้งหลายอะไรเป็นอะไรแยกส่วนออกไปอะไรมีคุณมีโทษอย่างไงเนี่ยแยกออกไปได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาเจ็ดวันที่ประทับอยู่ที่เรือนแก้วเนี่ยรัตนคาราจดีในการต่อมาเรียกว่ารัตนคาราจดีก็ทรงพิจารณา อภิธรรมบิดกอยู่ตลอดระยะเวลาเจ็วันอย่าลืมมาข้อความในภิธรรมบิดกมันมากแล้กเกินน่ะแต่คงพิจารณาด้วยภาษาปัญญาญาณมันก็ทำได้เร็วนะฮะแต่นั่นจริงๆก็คือเป็นเรื่องของชีวิตจิตเจตสิกรูปเนี่ยก็คือชีวิตนิพพานมันก็เกิดขึ้นแก่จิตของบุคคลถึงมาความมาเขาก็มีชีวิตอยู่ นิพพานเดี่ยวเป็นโล ก, กุตระนอกนั้นก็คือเป็นโลกิยะแล้วถ้าเราเทียบเคียงกับในปัจจัยการที่ว่ามาไว้มันก็เคยเรื่องเดียวกันนะหมายความว่านิพพานนั้นก็อยู่ในสายดับเจตสิกนั้นก็คือทุกขโมุทัยมรรคแล้วก็นิพพานนั้นเป็นเขาเรียกอสังคตะคือวิสังขาร ค, คือไม่มีปัจจัยบ่งแต่งทั้งฝั่งทัางไหล แต่ลงพระพุทยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพบูุ์ในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี